เราจะบัญญัติวัดในอาจารย์ทั้งหลายแก่อันเตวาสิก์ทั้งหลายโดยที่อันเตวาสิก์ทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิก์พึงประพฤติชอบในอาจารย์วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้นมีดังนี้อันเตวาสิก์พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้าห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งถวายไม้จำระฝันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออาจารย์ฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ล้างแล้วเก็บงำไว้เมื่ออาจารย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บท้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอาจารย์ต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคตเอวถวายสังคาติที่พับซ้อนกันล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำถ้าอาจารย์ หวังจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงนุ่งให้เรียบร้อยปกปิดได้มนทนสามคาดประคดเอวห่มสังคาติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมล้างบาดถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์พึงเดินไม่ให้ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึงรับบาด ท, ที่มีของบรรจุอยู่เมื่ออาจารย์กำลังกล่าว ไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่างอาจารย์กล่าวถ้อยคําใกล้ต่ออาบัตพึงห้ามเสียเมื่ออาจารย์จะกลับพึงมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้พึงเตรียมน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาทและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่มด้วยเหงือ่อพึงพึงแดกครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดกพึงพับจีวรเมื่อพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลื่อมมุมกันสี่นิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคตเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินถบาทมีและอาจารย์ต้องการจะฉัน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 จึงเก็บจีวรเมื่ออาจารย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้าล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าท้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอาจารย์ต้องการจะส่งน้ำพึงจัดน้ำสงถวายถ้าท่านต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าท่านต้องการน้ำอุ่น พึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าอาจารย์ต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุรนพึงแช่ดินถือต่างสำหรับเรือนไฟเดินตามหลังอาจารย์ไปถวายต่งสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณนาที่สมควรจึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟ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 พึงทำบริกรรมแก่อาจารย์แม้ในน้ำตนส่งน้ำเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผลัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวอาจารย์ถวายผ้านุ่งสังคาติถือต่างน้ำสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ นำน้ำฉันมาถวายอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้เรียนพึงเรียนถ้าอาจารย์ต้องการจะให้สอบถามอัพึงสอบถามอาจารย์อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นศกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาตรและจีวร อ, ออกก่อนวางไว้ณที่สมควร พึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางณที่สมควรเตียงตังอันเตวาสิกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไว้ณที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้ณที่สมควร พรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางไว้ณที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าฝาที่เขาทาน้ำมันหรือพื้นทาสีดำขึ้นราควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงเอาน้ำประพรมแล้วเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บหยากเยื่อไปทิ้งณที่สมควรพรมปูพื้นพึงพึงแดดชำระตกขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิม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 พึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชาระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชาระถ้าอาจารย์เกิดความไม่ยินดีอันเตวาสิกพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมมีกะถาแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์เกิดความรำคาญอันเตวาสิกพึงช่วยบรรเทา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 พึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานัดแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรแก่อับพานอันเตวาสิกพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอับพานอาจารย์ถ้าสง์ต้องการจะทํากรรมคือตัชฉนิยกรรม นิยสกรรมปปพาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเขปนิยกรรมแก่อาจารย์อันเตวาสิกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทำกรรมแก่อาจารย์หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอาจารย์ได้ถูกสงลงตัดชนียกรรมนิยสกรรม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 หรือพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงซักจีวรของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องตัดเย็บอันเตวาสิกพึงตัดเย็บหรือพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงตัดเย็บจีวรของอาจารย์ ถ้าน้ำย้อมของอาจารย์จะต้องต้ม อ, อันเตวาสิกพึงต้มหรือพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใๆพึงต้มน้ําย้อมของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องย้อมอันเตวาสิกพึงย้อมหรือพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ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 โดยที่อันเตวาสิกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลาย